กรรมเก่าที่ทำให้แดนเจ้านายดีร้ายพวกเราไม่ได้พบเจอผู้มีอิทธิพลกับชีวิตด้วยความบังเอิญเลยสักคนพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นมรดกที่ผู้ออก่อกรรมย่อมได้รับถ้าตั้งความเชื่อตามผู้รู้แจ้งโลกก็ต้องมองเสียใหม่ว่าถ้าได้เจ้านายเลว ก็เพราะตนเองคงเคยไปทำอะไรไม่ดีไว้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการปกครองคนถ้าหากมองว่าไม่มีใครทำบาปสถานเดียวเราเที่ยวเวียน่หยตายเกิดทำบาปบ้างทำบุญบ้างด้วยความไม่รู้ว่าจะให้ผลลัอยังไรก็จะมีกำลังใจว่าวันคืนเลวร้ายคงได้เลิกผ่านไปอีกทั้งยังมีแก่ใจมองด้วยว่ากรรมเก่าสงเรามาเจอเจ้านายเลว เราก็มีสิทธิ์ทำกรรมใหม่ให้พ้นจากนายเร็วๆหรือกระทั่งอาจเปลี่ยนใจในายเร็วๆให้มาดีกับเราได้บ้างไม่ใช่อะไรๆก็ถูกกาหนดไว้ตายตัวตามกรรมเก่าเสมอไปความหลงตัวความลืมตนการมีอัตตาแรงของมนุษย์จะเปล่งประกายสูงสุดตอนได้อำนาจไม่ใช่ตอนไร้อำนาจหรือตอนเสื่อมอนาจฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า หากอยากดูตัวตนที่แท้จริงของไรสักคนให้ดูตอนเขาถืออำนาจไม่ใช่ตอนไร้อำนาจหรือเสื่อมอำนาจและคนเราจะทำกรรมได้หนักที่สุดก็ตอนโตเต็มตัวหรือตอนมีอำนาจสูงสุดไม่ใช่ตอนยังกระดูกอ่อนหรืออำนาจวาสนาน้อยหากถามว่าคนเราโตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมีโอกาสทากรรมหนักแบบไหนก็ต้องบอกว่ามีโอกาสทากรรมหนัก ในแบบเอารัดเอาเปรียบไม่ใช่แบบสละให้ในแบบผู้กดขี่ไม่ใช่ผู้ปลดแอกอุตุชนที่จิตยังหยาบถ้าดุดาคนได้เหมือนหมูเหมือนหมาโดยไม่มีใครกล้าสู้จะรู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจกว่าใครและพอใจอยู่อย่างนั้นเปอร์เซนต์ที่จะมีคนรู้ตัวว่าหลงตนรู้ตัวว่าบ้าอำนาจคิดแก้ไขปรับปรุงตัวมีอยู่น้อยเพียงใดก็นั่นแหละ โอกาสอันน้อยนิดที่จะมีเจ้านายดีๆขึ้นมาในโลกปุถุชนที่จิตเริ่มขัดเกลาวแล้วถ้าได้ควบคุมบังคับบัญชาให้คนอยู่ในระเบียบวินัยดีๆจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางกำหนดทิศ ท, ทางให้องค์กรเป็นไปตามที่ควรและพอใจอยู่อย่างนั้นปุถุชนที่จิตขัดเกล้าได้ประณีตจนเข้าขั้นกันลยาณชนแล้ว ถ้าอบรมสั่งสอนใครด้วยจิตอันเยือกเย็นหรือเป็นแรงบันดาลใจให้ใครเอาตามเป็นแบบอย่างได้โดยไม่ต้องพูดมากจะเห็นว่าตนสามารถเปลี่ยนชีวิตคนให้เจริญรุ่งเรืองได้และพอใจอยู่อย่างนั้นความสามารถจะทำอะไรให้เกิดขึ้นกับคนอื่นและมีความพอใจอยู่อย่างนั้นไปจนตายนั่นแหละติด ท, ทางที่จะพาเจ้าของกรรมไปเสวยผล ในชาติหนึ่งหนึ่งคนคนเดียวกันอาจเป็นทั้งปุตุชนที่จิตยังหยาบที่จิตเริ่มขัดเกลาวแล้วและที่จิตขัดเกลาวได้ประณีตนั่นหมายความว่าโอกาสที่จะก่อบาปหนักและสร้างบุญใหญ่อาจมีได้ทั้งหมดเพียงด้วยหนึ่งชีวิตขึ้นอยู่กับว่าใครจะคิดได้และใครจะพบธรรมะอันเป็นแรงบันดาลใจให้เปลี่ยนแปลงเมื่อใดมีเวลาสะสมบุญหรือบาปมากน้อยแค่ไหน เคยทำไว้อย่างไรก็ต้องไปเจออย่างนั้นเมื่อเกิดใหม่คนทั่วไปจงมีโอกาสเจอเจ้านายดีบ้างเลวบ้างถูกด่าเหมือนหมูเหมือนหมาบ้างถูกตักเตือนด้วยความหวังดีจากคนมีสติบ้างได้รับความเป็นธรรมบ้างได้รับความอยุติธรรมบ้างหรือกระทั่งถูกกดดันให้กลายเป็นคนเลวบ้างมีนายช่วยผลักดันให้ยกระดับชีวิตบ้าง ล้วนขึ้นอยู่กับการวางแผนของกรรมเก่าอันสลับซับซ้อนไม่มีใครได้นายดีหรือเลวไปทั้งชีวิตมองอย่างนี้บางคนอาจอ่านเกมออกคือแม้กระทั่งความอยากเปลี่ยนงานในบางครั้งก็อาจเป็นเพียงกอนอุบายของบาปเก่าที่ล่อให้ติดกับหรือบุญเก่าที่เปิดกรงให้เราเป็นอิสระการเปลี่ยนงานหาใช่ประกันว่า เราหมดกรรมที่จะต้องเผชิญหน้าเจ้านายเหลวๆแล้วความไม่มีธรรมะมักทำให้คนหมกมุ่นกรุงนคิดสะสมความอาฆาตมาดร้ายไวหรือกระทั่งรับเชื้อโรคทางวิญ ญ, ญาณของเจ้านายเหลวๆเข้ามาแล้วพร้อมจะส่งต่อถ่ายทอดเชื้อโรคดังกล่าวให้กับผู้อื่นทันทีที่ตนเองเถลิงอานาจบ้างซึ่งก็เป็นการก่อปฏิกริยาลูกโซ่ทางกรรมเวร ไมต้องอยู่บนเส้นทางชดใช้โดยไปเจอผู้กดขี่มากกว่าผู้ปลดแอกอีกเรื่อยๆธรรมชาติของชีวิตมนุษย์พัฒนาลูกน้องให้เป็นนายเพื่อได้กาะกรรมแบบนายแล้วกลายไปเป็นลูกน้องรับผนกรรมจากเมื่อครั้งเป็นนายวนเวียนไม่สิ้นสุดอยู่อย่างนี้เอง